แล้วก็กพยากรรบกวนพ่อแต่งียนเนี่ยว่าห่อพ่อใคจะีได้การนรแต่ีจะเรียนมาคระวาพัใจหมอลูกเดาเรื่องนี้ว่าอย่างนี้มันของลูกป่ถูกขโมยไปมาก่อนทบันทึกูขโมเลยเหละต่ก็เลยได้ดน พงศลักษณรพงศลวงพงศลวงคุณพอว่าช่วยทำกัปปานรู้จก่อน่าขอให้รูวม้าเไปแล้วขอหนึ่งท้าหนึ่งทุนเมื่อได้รับมาเนียกขอแล้วก็นาไวทีนึกว่ากมีความรู้สึกว่ารถขายทาเนี้มันไม่หมเลยครับอสองสเนาแต่ที่อาจยนถามคุณยศว่าถ้าลูกจะมาไหวกัปปานอไปจะท่า ร้อยบาทงทุดีหรือว่าทุทําพนเดียวหนึ่งทนดีขอหลว่อช่วยถามองค์อาวุธกว่าไอ้ทุนเล็กมบาทดกว่าไม่ต้องมากดีเลยใช่บ้านหลังใหญ่เลยบ้านหลังเล็กหลายหลังสั้นบ้านหลังใหญ่หนหลังไม่ได้ก็หลายหลายห้อ แต่พ่อพ่อเมตตาและเติมใจตงใจยนนะพ่อใจใหญ่กว่าต่อไปขอได้ภาพใหญ่ในการจะสมานกันแล้วเดี๋ยวตอยไห่อยเขาช่วนี้ตลอใจใส่ใช่ใช่อยต้อนแรงากน้ำระสามาแผ่นดินบรรทุนมลวงข่อที่กําลั เมื MM ่อขัดพระจาลทร์แล้คเรื่อว่าต้องเสด็จพระรมศาารีในกระทานลักพระธาตุอรหั์ได้เสด็จมาอยู่ในมาสนั่งแคบบนหุบต้นบอกก็ดีใจเรื่องใจที่เป็นรูปศิษยพอเป็นเหตุทาให้ท่า <eps> น, น, นเสด็จมาปกประสบท้อลูกทีเรื่กเจะรบกวนามกย่านี้ว่า พูกควรจะได้ระบมไว้ศรีพระธาตุใที่หนึ่งหรือจะไว้รวมกันแบบแยกกันดีนะเขาเรียกว่าาได้สูงกว่าน่อยนะอรู้เจ้าท่านใช่ใช่ใช่เพราะว่าธาตุธรามดาเลยธาตุทหารจะดีไม่ดีแกจะเข้าใจผิดนะเป็นธาทัขงคู่น่ะ แต่แสดงว่าเขาวงหลวงกว่าแล้วกบปวดแย่ทีนี้ก็แทรกคิดว่าวิธีการบูชาสมเด็จพระบมกับสมเด็จพระธาธรรมดานี้จะใช้คนไหแล้วก็จะบูชาด้วยอะไรทีงจะถูกต้องต้องยกครูต้องมีค่าครูใครก็เช่าเธอแสนบาทนิดหน่อยกันเอง ให้ใจดีดีโสเดียวพอในสบัตตามเขาเขียนหลักสบัตของเราครับไม่ดีอาเป็น้อใช่ใ่ใช่ใ่้งคนที่ดีดีโสใช่ใช่รวมหมดแล้ว้อมีพระธทํามาส่งนก็ใ้ที่ีกันนะครับา้าหลวงพ่คทุกโลกยัง รู้ว่าเรื่องคนตายถามหลวพ่อไม่ได้องถามที่ใดได้ไปถามทีาิไม่ถามแต่ที่จะพูดก็คือว่าอย่างนี้อ้าวให้ได้รถเร็วนะอ่า้องรถอดหือเปล่ัิสครับะาเอ่วันนี้ได้มาส่นี่สอง สร้าวิหารทานรมทานสารทานรวมสักท้าพับาทเรา่อคิ่วนทุกส่วนให้แก่เขาแท้ลึกแท้ลึกแท้รึกเพื่อมรนภาพไปแล้วไม่ถามว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับขอหลวงพ่อช่วยให้ช่วยไปแลรวไปแม่แท้ลึกเส้นว่าเจ้าเแ้่แม่แท้ลึกนี่เขาแต่ว่าเรา ไม่เป็นไรไมไรนะนคอร้องเขาบไปเปนันว่าสบายใจนะไม่มีปัญหานะถ้าไม่มา่นใจก็ร้านแปแสนเอาีก็กจับอีเด็กเขาะขังกส่งผ่านผตั่าเอ่อตางพอที่กรกตจันโถยายผมปู่ปอเข้าสิง วาเก่งๆหลายวะเอาไม่อยู่หมอ่าเอาไม่ได้สู้มันไม่ได้เลยลูกจากจะพึ่งบารมีหลวงพ่อว่ามออพ่อแนะนำอยา่างไรถรงไม่ก็่ะหลวงพ่อก็สู้ไม่ได้เหมือนกันไอ้ไหลวงพี่บอกไปนีนะ่เคยอยงแค่งมือวานหพ่อรับระทานเ่ะอ่าถ้าหึุนไปนอนที่ผ่านานนะระยองเล็กใจ เะยืนยาวยี่สยี่สิบเพื่อกว่านใจจะไปเสื่อราคาว่าข้าวไข้าวบุญมันราคาเท่าไรอันนี้ก็บังเอิญพระไปจอดเข้ า, ขา่ามีคนมาทำบุญเขเชื่อมัมีเขาเยื้เือมีเนอะไรแบไปกัเ็กสองคนเด็กผู้ชายเด็กผู้หิงวัดน่าถัดเรือ่ปตอนนั้นอยู่วัดเบงโคอตอนกลางคืนก็มีเครืะองไหว้เข า, าประมาณส10คนกว่าใ่ถือเปืนมาด้วยจะบอกว่าท่านถอยถยจะไปห่างเลยครับผมจะนอนริมตลิ่งที่มีไว่าใจไม่ได้ อามีอะไรผู้ใจใหญ่กันเองจไว้ทุคนนะแล้วก็นอนไปถึงตอนตีสองตื่ขึ้นมาเห็นคนผู้ชายบาคนอยู่บางแต่งตัวไม่ดีวิ่งมายืนที่หน้าตริงใช่ไหมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่คารยน่อยขาวมามือมึงเก่งยิือมั้งว่ามึงเก่งยิงืมั้งชว่์ว่าร้สึกเจ้าคนนไปลองมองเห็นคนบนคาก็วี่หนีหมดเลยไอ้พวกเปยได้เหรอไม่ใช่พวกผี พวกมีเพอนรหลับไปแล้วลไม่แปรปัญหาไ่ผีอานดีมั <c oughs> ้งนั้เลยแต่วันจริงผีอาจจะสงบได้หลับก็ได้ก็ <c oughs> ถามคนเมืองคาร์าบอกใช่ใคาลงมาถามเชื่ออะไรเขาขายบอกมพรสวรรค์ครับเข <c oughs> าเชื่อพรสวรรค์นะเพราะพวกที่มันมา เ, เป็นพ่ผีปอบแต่ตอนเช้าเลยถามพุทธานั่นก็มีผีปอบมารกอกมีมากครับที่นี่เก็เผีธรรมดาลุกดำหน้าตาธรรมดาแล้วนี่นะไโ่นู้จ เด็กก็เลยจะต้องพึ่งบาลมีอะไรท่านพรตวันผู้ชายพรตวันเนี่ยนั่นแหะทีลืมแกะผ้าดูผู้ชายพรตวันเนี่เอาอันี้ไปอันนี้ไปท่านพรตวันท่านพราวันไม่อยู่นิพพานนะอ่าแล้วก็เรียกท่านแลลองแป๊ะเ่ยนะใ่ใชเออเออขี้บุ้งเลาการดาวมีประโยชน์เนี่ยนะแล้วก็สบายใจได้เลยนะ ขอบารมีท่านที่พรสวรรค์ท่านช่วยสงเคราะหและีอจริงไม่แรง ก, ก็อนไม่จริงก็โดยใช่เปล่าคนก็บกมาถาอาข้าเจนแบงนี่ยีหนีผีบหนีเขาเคยใช้แล้วใีไทยทาไหมใชครับฮะแงอาใช่ใช่ช่ชชชอ๋ออันนี้มีแถวปาจินบุรีมีผีวนอาปราจินบุใช มีผีปวนน no ี้ไหมแล้วมีนายทหารคนหนึ่งมันเป็นแมตรีแล้วมีผ้าสองผืนเตยไปให้ไว้ก็ในวนนั้นมาจนต้งห้าอวกเดือนแต่กลัวว่าไม่มีผีรบกวนอีกนี่ชาวบ้านก็เลยหาหมอดูคนหนึ่งมาดูทางในนะหมอดูนัํานั่งหลับตาอยู่แต่เดี๋ยวลุงดามาเอาไอ้บ้านนั่นมีผ้ากันแดดเอาไผ้าอะไรผ้าไปด่าผีกระวเออ รือผ้ากันผีปอกนี่ตะคาแพงหน่อยใช่จ้ะเฉพาะนนั่นนะผืนอื่นปกติโอโอยอย่างนี้ก็ถ้าจะตู้กผีก็ต้องเอาผ้ากันแต่ผพิพาก่าทอะไรพิชัยสครามมหาวิทยาสครามมาวาสงามนะไอไว้ที่บูชาเลยมานตั้งไว้แต่าไฟจุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้ยโอ้โอ้ยยโยโอ้ยโอยโออ้ไโเ้ย่อยโ้อ้ย้อยอออ้อ ฝากรับเลยวันนี้ได้ใส่ความลูเลยนะคใสเตัวก็ได้เพราะว่าจะเอาไปฝากเลยในเรื่งนี้แน่ค่ะที่จะ่อไปราช้าหลวงพ่อคุณพระจอมองความจริงลูกต้องมั่นใจแต่ว่ามันมีอะไรทำให้ลูกหิวๆโอบๆอยู่หน่อยๆคือว่าไปโขกกันกับคนบ้านคือเขาเป็นแขกปรางำวันนี้แขกต่างๆก็ฝากด้วลูกเงก็ห้อยอะไรห้อยถามมา ค่อยมาหาพิชายสงครามสออย่างบางทีก็คิดว่าผู้ได้บางทีก็โห่โหมือกุ๋ยกุก็เลยหลังการเรียนถามลูก่อว่าขอได้โปรดแม่ตาผมก็ให้กาลังใจของลูกจะได้โหโหมหรือกุ๋ยต่อไปเลยมีอะไรบงมีหางหมากมาหาพิชายสงครามแกห้อยลูกหมากเลยดิ ออเครับฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าไ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่าเ่ยฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าาา่าา พาพาหลวงพ่อที่เคารพอย่างจูงจังเมื่อวันที่ยี่บแปดมีคงำวันอี่สีตอนท้าสูงหลวงพ่อได้ม า, าหาล hm <c oughs> ูกลูกคนนี้ก็คือนงมาละท่านมาลาบถินำตะกุ่นบุญบุญต๋อย้วบุญต๋อยลูกไม่รู้ว่าหลวงพ่อมามีความเป็นใจ ไม่รู้ว่าพอจะให้ลูกทาอะไรแต่บังเอิญว่าที่อาเยอนี้ี่คือโลกกำลังตรวจยอดครับการไกลปริดปวดปรึปวดปวดรึปวดปวดอะเนี่ยปวดปวดปว เมื่อมารู้สึกอย่างนี้ว่าหลวงพ่อเนี่ยกาลังป่วยเปนอย่างแน่เลยคิดจะนำปลาไหลมาเท้าไหลหลวงพ่อหกตัวโอให้แล้วให้ได้วเนี้ยให้แล้วอ่าก็เปนั้นว่าหลวงพ่อเขาอินต่อไปเขาไหลได้โอ้ไปเลยได้ไหไปเลยจ้ะน้ำก๋วยาต่อปลาไหลอันคล้ายๆกันแต่ปลาไหลวันสงยาว ลอยตาคำยาวสงสันไปนี hmm. been, h, so so uh, uh, ่ถ้ลอยตาหวานก็สาใหญ่ก็ยาวด้วยลอยใจดีนะลอยตาต้องขู่ดูเลยตายตอนนี้มันเรเที่ยงเลยยังยังเที่ยวมาห้าชุมเลย ใช่่เท <Jamie, S 1> ี่ยวเวลาอเมริกาโอ้โหอัน้ก็ขาเอาเวลาไม่เป็นการเที่ยวใช่ใช่วักลคืนนใช่กงวันเทีเวลาประเทศไทยหมายความว่าก่เป็นบ้านของประเทศนั่นหละใช่ใช่ขายกินง่ายต่อไปทีนี้ก็ ลาพ้าหลวงพ่อที่พะรบจาก่โตคือว่าพ่อข่ามีลูกสาแปดอยู่สองคนเอาไปเย็บผมหลวงพ่อผ่านตบผู้หญิงเลยนะก็เยี่ยนผมจะมีผ่านรอบมั่วไปเลยนะนีเป็นกระเทยป่ะเอาเป็นรูกหักอธิบายว่ามีลูกสาวายสาวแปดสองคนตั้งใจว่าจะปวดซ้อนไปเป็นการประหยัดเศรษฐกิจแต่อีกคนข้าบ้านนันเองว่าไม่เหมาะสมพ่อพี่ล้อต้องปวดคนละเปล่ ลูกไม่มั่นใจแต่ต้องมาพึ่งหลวงพ่อว่าถ้าจะบวชร้องกันทีเดียวจะได้หรือไม่ผ่านข้องสองเถามได้ ไ, ดไม่ใครเข้ร้องไอคนนี้เขาติงเนี่ยเขาไปในหน้าพระ <c oughs> ในหน้ <c oughs> องชาขอไดุ้ชาใช่ใช่ใช่เขาเสียตังนีวถ้าบวชทีเดียวก็เสียทีเดียวเนสะ็ย <c oughs> ทีเดียวใช่เาเพิ่มเนี่ยจะต้องผ่านใครนั้นก็จ่ายอย่างเดียวกันอนนี้ก็บวชทีเดียวร้องใช่ใชอิสงดี รวูปบวชพระพ่อแม่ในคนในสามสิบกับสององค์หกสิบกับเป็นเทวดาและนางพ้าและอพรมีขนาดนั้นนะถ้าตั้งใจเพื่อในพันมีหวังไปเลยเดี๋ยวถ้าหากว่าไปอะไรเปโมตนาไปร่วมข้าวบาตรกบาตรก็ลอยได้สี่กับได้องค์ละสี่กับบาททสองบาทสลึงสองหลึงเหมือนกันเอ๊ะทำไมเ้าทลงทุกอย่าเขาได้ สาสิบบาทปกสิบบาทเพืที่เราลงทุนแค่บาทต้องบาทไหลายมันตั้งบาทนะทำไมเมื่อฉันเด็กๆเราบาทไปเทื่ยกไกลมากอันไปอเนกสงไม่ใช่ราคาบาาาทก็กลองว่าที่รวบรวมเป็นไบเนี่ยได้อาทีตรงเหมือนกับเข้าด้วยน่คจะน้อยหน่อยก็เลายอ้าวอีก้อหนึ่งบกว่าอีกข้อหนึนงนะครับสงสัยเรื่องท่าที่กับฟากู อะไรแต่ก็จักร้จัไม่เอาเหม็นไมใชร้หรืไ่หรออ๋อพอหมยัง้มันก็จริงไเย อ, อ๋ออ๋อไม่ขี้ อ, อ, อ๋อเหม็นขี้เห็นไหมนขี้ขี้แหล่งหอมะเอ้ หมายความว่าจำนวนอาจำนวนพกจะเป็นอย่างไรบ้าวคู่แลือขี้ใช่ไหมจะเป็นไหอนกันก็เป็นราะว่าเหมือนกันอ๋อผมจว่าอนี้ตรงถึงว่าไอ้สงอก็ดีอัคคภาพก็ดีเหมือนกันอ๋อไม่แตก่กันนะเพราะว่าถึงเวลาตายไงก็ตายเอ้าทำไมผมว่าอะไรเพราะเี้วยอะไรโอ้ผมคิดก็ตายกันเนี่ยเออโอ้จริงนะ ความจริงมีแค่นี้เรื่อยไปังไดเรื่องไหมโอ้ก็มีก็ผมพ่อเห่ยที่ราก่อเราพ่อายมีเสือก็บางกคไม่ใช่เสือรำบากโอ้ะเรืองเรื่งฉันไม่ดีเรื่องแก่โอ้ามวามรู้ไปคือเรื่อเสืออ้วนสมัยโน้นสมัยเสือป่ายนะตอนตอนเช้าขึ้นมานตำรวจไปร้อมแก่ แกก็้าคืนพระรูปสองมาบอกนะเดนออกมาตารวจยิงตรงๆนี่นไม่ออกแน่แล้แกก็ไปวิ่งเดินเรว่าตําตรวจก็ตามยิงเรื่อยไปแ ก, กตารวจ ก, ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ยิงตั้งแต่เช้ายันเย็นประมาณห้า่างเย็นเดิตามยไยแกก็ไปดินข้าวดิแกก็หิวนี่เวลาแล้วมันเป็นป่าแถวแถวทุ่งไอ เ, ไอเไอดียวเขาเรียกทุ่งเดียวนะมัก็บังกอไผ่บังโดงไผ่ พอบางนกไผ่มาแกว่าเขาบ้าน่ๆขอข้าวกินจะขอรให้กินเพราะว่าจะเป็นคนดีเขาเป็นเสือก็จริงแต่ท่องท้องที่เขาเขาบังคันได้อเขาคุ้มครองท้องที่นะขณะที่กินข้าวมาทันยิอิ่มก็ปรากฏว่าตำรวจโผล่เมือไผ่พอดีแต่ไกลกันประมาณสักครึ่งกิโลแต่ของบ้านบอกว่าตําวจโผลตอนนั้นแล้วแกเลยทิ้งข้าวออกทางนี้ตำรวจเห็นก็วิ่งมากดไล่์ยิงอีกไม่ติดอยิงไปยิมาแลก็แกสะดุด ไะข al, ing, stop, pim, pom, oh ina, day, ุดธนาล้มตำรวจยิงพุทตันตมพอดีตายพอตายแล้วยิงใหม่ไม่ออกนี่ถึงวาระนะถ้าถึงคราแล้วมันคุ้มไม่ได้หรือก็ะเองพราก็ตายเหมือนกันออตมจมจมจมจจมจมจมจมจมจมจมจมจมจมจมจมจมจมอมจมจมจมจมจมจมจมมจมจจมจมจมม นี้ก็แสดงว่ากดกดแห่กรรมก็ถึงวาระแล้วก็กดเหงกรรมถึงวาระแล้วใครก็ช่วยไม่ได้อย่างพระเจ้าเคยบอกเราที่ตถาคตเทศกายกับตรสติเราสุภกรรมฐานพระเทศจบท่านได้หกสิบฆ่าตัวตายเห็นไหมเห็นไหมคนโตรธใกันมากเลยอย่างนี้นะถ่าเกิดไม่มีทายานอันนี้มีทายาณจนเบื่อไหนร่างกายสุขทพก็เลยเปลี่ยนร่างกายตัดทิ้ใจร่างกายไม่ดีไม่ราไม่ตรงกัน เมื่อข่าตัวตายท่านก็นไปนิพพานอ๋อาตัวตายนิพพาน่าจิตใจแหวกกันนะ<า>ต้องเหมือนกันนะต้องเบือนไหลต้องเมือนนายจริงๆห<อ>ลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้ามรเทศจก็บอกว่าตอนนี้ไปแต่ถาพระจะอยู่ในถ้ำสิบห้าวันถ้าคนอื่นเขาพบนอกาก้วถ้าที่สงอาหารเ<อ>มื่อเขาสิบห้าวันแล้วาออกถ้าดอกออกมาก็มีพระหลาตองฆ่าหกสิบองค์ฆ่าตัวตายพระเระเทศใหม่ที่อนาปานสอติกรรมฐาน ถ้าต่อมามีพระก็ไปถามว่าองค์ทราบหรือว่าถ้าเทศเรื่องนี้พระหกสิบองค์จะตายพระเจ้าบอกทราบพระองค์เลยถามว่าถ้าทราบทำไมยังเทศถ้าบอกทางก็จะเทศหรือไม่เทศขาก็ต้องตายถ้ากเป็นการฆ่าเนฆ่าสัตว์มาการในครงก่อนพราะฉะนั้นแม้เขาจะตายแต่โแนะนาให้เขาปฏิภาไม่ดีกว่าด้อนย่างพระจ้าเอก็ไม่ไหถึงไม่ได้นะแต่ใจก็ ไปสูงเลยสบายมากดีกว่าอยู่ท่าแต่พระท่าตัวตายไปนิพพานนะโฉนิดกัดเพิ่งาช่วยคอตายไปนิพพานยกทรงมาชาติก่อน็เช่วยคอตายไปสวรรค์ถ้าจนิพพานก็หน่อยนะอ๋อนิพพานลงมามีนิพพานลงมามีเนียไม่ได้เรคือว่าผมมาชาตยลงมาเวรนี้ นี่แสดงว่าถ้าใช้เกืือห่ายรลากกายเชื่อมคอตายแลปีเอันจะต้องตายไปโอ้ต้องปฏิภาได้เลยนะใช่แต่เขาค็ดว่าทุกวันนะนึกว่าทุกวันว่าถ้าเราตายเมืไรเพราะปฏิภายมันนั้นแค่จิตมาชินไม่เรียกเป็นชานนโอ้โอสมานต้องติดกรรมฐาน แม่งตุเดียวเลยสบาใจมีพระดุพันธ์ในอารมณ์มันเขาไม่ลงตุนมากพระดพันธ์นิดเดียวใช่ไห ม, มาาไเดียวๆนี่กันมากพ่ออะไรไหมพ่อไม่รู้เรื่องอลอร้อยยี่สิบตัวแปดสิสอ ง, งใช้ก็<ห>ใช้ เ, เล่นมาก่อนเหมือนกันก็ลเแค่ละทำไม่ง้อก็จะเดินเย่อเด้ย ผมเพว่าจะแจมแจ๋วมาตัดแรกโอ้แจ๋วมากตัวนั้นแจ๋วมากจําได้ทุกดวงแต่ว่าพอแล้วเทจรยิงเหลือดวงเดียวได้ไปเดี๋ยี้วะวหายวะหายไปค้าอยูดับตับไฟเลยฮะวทีนี้คือการค้านดับตับไฟเลยนั่นตำัาใครอะใครใครเขาเขาก็ค้านแค่สารธรรมชาตินะ ทีน่าสององค์ก็หล่อจิบมีจีดล้อมแปดสิบดล้อมหรงอรอยี่สิบด้อมนะหลอ่อนุตานังชนะนั่งกินหนนมากบ้าง้มเอ๊รูดีม่สุดเป่ายนัดบ้างใช่ไห ม, มนั่งหลับตาได้บ้างเดี๋ยวถมมักโอโมันเป็ไงสมาเดิถามอะไรใครเท่อะไรกันเนี่ยข้าไป่รูก็ถามไหน่อยเราข้ากินหมากบ้างเปายนัดบ้างส่ว น, นไปถ<อ>้าถามจีบมีกี่เดือนเอ๊ะ มันข้าบเลยมีดวงเดียวน่ะพ่อให้มาดวงเดียวเขาบอกพิษตำราถาตาราของแกมีกี่ดวงอย่างยอดม่แปดสิบอย่างว่าอยังพิสดานมีร้อยยี่สิบก่าบาทค่ไหเอว่ามันติดตรงไหนบ้างน่ะติดต่ท่ตั้งแต่ท่าสุนจริงไปตั้งหัวใไก็หมดเลยโอ้โเจ้าจนตอนนเองท่ังจิตตั้งจิตดวงเดียวเที่ยวไปไอ้ที่แบบเป็นหลายดวงคืออารมณ์เข้ามาแสงแวงจิตเข้ามาสิงจิตอยู่ใช่ไ อย่างจิตมีความโกรธจิตมีความโลภจิตมีความหลงใช่ไหมจิตมีความรักอารมณ์ขอจิตเาต่างกันไปนั่นมันเป็นอารมณ์ไม่ใช่ดวงจิตดวงจิตมีมันดวงเดียวอ๋อไอ้จิตมาเกิดมาดวงเดียวใช่ตายแล้วก็ไปด ว, ดวงเดียวไอ้คนนั้นมันมีหลายดวงต้องเกิด<ะ>บอ่อยจังเลยไม่ไปรู้โต่ถ้า ง, งมันต้องต้องเกิดหลายอย่างถ้าเป็นคนมันเกิดเป็นหมามันเกิดเป็นนกมัน ที่วัามหาธาตีแรกสีก็ดีๆูดีเสียงคพอยเขาเสียไปทางไม่ล้มอยเลยเหมือม้ตจะลอกสะานเลยเอาิตแต่ตัวเด็ดดวงจะตีว่าจิตคนเดียวก็จริงพอดีการอาจารย์อธิบายไว้เพื่อความเข้าใจง่ายอนนี้คนเบื้องหลังไม่เข้าใจการท่าน กรเจียงจิตน้ำบรรดองเดียวมันก็น้ำใสใสใสแก้วใช่ไหมมันก็ใสใช่ไหมถ้าชีแดงใส่ลงไปไอ้น้ํานั่นน่ะก็เป็นสีแดงถ้าสีเขียวใส่ไปน้ําก็เป็นสีเขียวมันเปลี่ยนสีเพราะอารมณ์ไอ้น้ำนี่น้ำเปลยสีไปเพราะสีที่ใส่เข้าไปจริงๆนั้นน้ำมันใสแก้วมันใสที่เวลาเราทำเวลานี้ยก็ทําเพื่อจิตใสตามเดิมถ้าจิตใสตามเดิมเราก็ไปนิพนานได้เม่อก่อนที่มันใสเหมือนกันแต่มันใสแต่ว่ามีปัจจายคือ คืต้องเวีในว่าใจเกิดใช่ไมใช่ครับไม่ใช่าสายด้วยเป็นประยกายพลิกด้วยอย่างดูจิตนะดูจิตคนนี่นะอะไรเจียวเ่อยยานยานตัวนก้ดง่ายคนกี่พันคนก็ตามรู้ปัเดียวจะรู้ทันทีเป็นแป๊บเป็นมืนม่นนกอยากจะรู้ว่ารู้ว่าใครจิตสีอะไรทำไมจิตจริงจิแล้วนับเป็นหกสีจะย่อแล้วเป็นสามสีสีแดงเ่้มหรือสีแดงอ่อน เนี 1> 1่สองใช่ไหมสีดำดำปีรละดำอ่อนๆมัวๆสีขาวจัดด้วยสีขาวมัวๆอันไม่เหมือนกันเอาแค่เรื่องแค่สามสีก็พอถ้าสีแดงเป็นจิตที่มีอรมจังไสดีใจเขาได้ขอได้ขอนี่ชอบใจฮะถ้าจิตสีดำมีทุกจิตสีขาวจิตสบายถ้าจิตสีใสเป็นจิตของฌานสีถ้าจิตเป็นะกายพึกษ์จิตพรรรัง <ส>ล้เราเลยอ่กไปเลยว่าถ้าเป็นพระโสดาบันอธิสมรารกายแต่งตัวยังไ ง, สงโสดาปฏิปาราต่างกันแตมต่างกันต่างกัน<อ>ไม่ต้องมาสโสดาแค่แค่คนที่จะตายเป็นเทวดาเนี่ยข้างในมันเป็นเทวดาก่อนออไม่แต่โดยเฉพาะจิตนะดูเฉ<อ>พาะตัวข้างในเลยที่อธิสมรารกายนะยยมันจะบอกเลย รู า, าลกเป็นอย่างนั้นยังสัตจะเป็นสัตว์รกก็เห็นเลยเลยไปสัตว ร, รกมีสภาพอะไรบ้างก็รู้เลยเรื่องเล็กๆโอ้นิดๆไม่ใช่ใหญ่แล้วท่านนี้เล็กมันเล็กมากหยิบไปถือถูกหยิบม <laughs> ือโอ้อย่างนี้ทหารพระไตรเกอปริยนี่มองคนเพื่รู้ทันทีเลยเพระจริงไม่ต้องมองคนหรอกแค่รู้ชื่อ ต้องการเยรูเท่านั้นใ่ไหมไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเป็นหรือลผมูุ่กัลววเลยนะใช่ใช่ถากบกนี้ก็ได้ตำราใหม่ทีหลังเราจะไปทำบุญกับพองไหนทาไมแน่ใจท่านไหนก็ไอเจโตปริยานมองพัต่อไปก็ต้องหางๆเลนนะตายเลยจพับไม่างเอาละต่างันนี้ก็ ยังไม่หมดเวลายหลวงพ่อหลวงพ่อะดีเลยด้สามนาทีแล้วันอ่าเี้ยก็เลตัดีคดีนะหลวงพ่ออ่อียวยประการละสันนิ้ฐาก็คอเพื่อเพิ่มเงินใหม่ได้นะหลวงพ่อจะตามเวลาแป๊ะเลยนะใช่ตรงไปตรงมาไม่ใช่โกงไปโกงมานี่หน้าเหลวงพ่อที่มีบุญมิ่งยังก็เดใช่เนี่ยตรงไปตรงมาใช่เก็เลยมาถึงทำมโมสถาบันเนบนเลยว่าอ่าว่า เวทสาจากบูทาเป็นสามห้าที่จะออกห้าลูกทิศเลยนะครับเอ่อที่ที่จะการเทีสามก็คือว่าเอ่อจะต้องจองลูกหน้าก่อนหรือหรือว่าไม่ตองไปจองเูก<อ><อ>หน้าหรือไม่ครัไม่ต้องจองประจําลกหน้าดเอาเอาจองนัดประจําเอาจองไม่เอารอบนอก <laughs> ขอนาดนี้ใช่ ไอ้มัดจำไเป็นเร่องมัดจำแล้วเอาจริงเสื้อตังใหม่นะไอ้มัจหายไปเลยหายไปเลยเออแตไม่แน่เอาจสาธถ่านนะถ่านไม่ทันก็ไม่รู้แต่สุภาพก็ายามให้แค่พยายามให้ถ่านโอโหนี่เป็นบุญองลูกหลาน่นจะนนะก็อยู่ก่อนนี้เขาไปนะแค่สาะสาธะผ้าเนี่ยสาธะแต่ี่ก็ิดไม่รูว่า ได้ค่ได right huh? ้ลองดูได้ก่าสแล้วว่าถ้าหลังเป็นแันตรอกเพชรใช่เอาจรลองมาหมดเลยะไม่ใช่จรลองทำเหมือนทุกอย่างเราต้องทำยันต่ดอกเพชรใส่ด้วยจึงเป็นกรณีพิเศษนะแี้วว่าประจุก็ประสาผ่านด้วยไม่ไม่เรนวจุดแตกข้างหน้า ให้มองอหนเลยอ้ใหนชัดเลยชัเลยจ้ะแล้วรุ uh, so ่นี้จะมีเกษาผมหอเั uh, ่เกษาอาจจะไม่มีอาจจะมีผมก็ได้แ้ม่ตาพูดสองตแล้วตัวจะหลงจะตื่นเขาตัดใจว่าเกษาตลวงพ่อในนามต่อไปก็เอานี่ดีกว่าพระุงารีพัฒก็เสิดกว่าเพราะพูดเจ้าเองนะ ก็ประมาณว่าเออถ้าถ้าปล่อยไปได้หาแล้วน่ะสมคอลแ้นะ